ในเบื้องต้นนี้ก็อาตมาจะนำขอให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิดดามานดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาน ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุตโธธัมโมสังโฆพุตโธธัมโมสังโฆพุตโธพุตโธพุตโธ เนกให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาติขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาไหยทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจอย่าให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปอื่น ให้กำหนดลงที่ใจของตนเมื่อกำหนดลงที่ใจแล้วก็ทำความรู้อยู่ที่ใจให้นึกว่าไม่มีร่างกายไม่มีตัวมีตนมีแต่ใจเท่านั้นนึกไว้เท่านั้นในที่สุดถึงที่สุดก็จะเกิดความสงบความสงบนั้น คือการไม่มีอารมณ์มีความสุขสบายมีความเบากายเบาใจเรียกว่าความสงบหรือเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินั้นถือว่าเป็นอานิสงส์พระพุทธองค์จัดว่ามหัพโล มหานิสังโสมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะว่าเป็นธรรมะชั้นสูงผู้ที่จะทามาถึงขั้นนี้ถึงขั้นปฏิบัติสมาธินี้ก็จะต้อง อาศัยการกระทำ ม, มามากหรืออาศัยศรัทธาที่มีความมั่นคงภายในจิตใจจะต้องมีความเชื่อหมายถึงว่าความเชื่อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเชื่อที่มีความลึกซึ้งเพราะเหตุว่าการปฏิบัติในทางใจนี้มันเป็นนามธรรม มองไม่เห็นต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความตั้งใจที่แน่วแน่จึงจะสามารถมาทำสมาธิมาปฏิบัติของเรื่องสมาธิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนทั้งหลายนั้นพากันเข้าใจผิดคิดว่าผู้ที่เสียสละ หรือผู้ที่สงบแล้วจึงจะมาทำสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นการที่จะมีการทำสมาธิขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยความมั่นคงภายในจิตใจและไม่ได้หมายความว่าคนที่มีการมีงาน แล้วทำสมาธิไม่ได้คนที่มีการมีงานหรือมีข้อเกี่ยวข้องมากมายก็ทำได้เพราะสมาธิเป็นสิ่งที่จะทำให้กิจการงานต่างๆนั้นเกิดความมีระเบียบขึ้นในการที่มีจิตใจ ไม่เป็นสมาธินั้นทำอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดความสำเร็จอย่างที่ผู้คนทั้งหลายพากันทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เขามีสมาธิกันแต่สมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิเพียงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่นผู้ที่เขียนหนังสือมีสมาธิหรือผู้ที่ขับรถมีสมาธิหรือผู้ที่กําลังปาฐกถ า, กถามีสมาธิหรือผู้ที่กําลังเดินที่จะไปจุดใดจุดหนึ่งมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิคนขับรถก็คว่ำ ถ้าไม่มีสมาธิเขียนหนังสือก็ไม่เป็นตัวถ้าไม่มีสมาธิคนที่ไปปาฐกถาก็ไม่ได้ถอยความเพราะฉะนั้นสมาธินั้นมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิที่เกิดตามธรรมชาติยังมีสิ่งที่ ทำให้เสียสมาธิได้มากถ้าหากว่าได้มาฝึกหัดหรือมาอบรมถ้าฝึกหัดอบรมแล้วจะเกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียวกว่าไม่ใช่สมาธิธรรมชาติแต่สมาธิที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นการปรับปรุงขึ้นนั้น ย่อมจะเป็นสมาธิที่ดีกว่าสมาธิธรรมชาตินั้นอีกมากเหมือนกันกันกบน้ำที่ไหลลงตามธรรมชาติมันก็ได้ผลเพียงธรรมชาติส่วนผู้ที่มีสติมีปัญญากว่านั้นแก้ไขธรรมชาติก็กั้นเป็นเขื่อนไม่ให้น้ำมันไหลลงไปตามธรรมชาติ มันก็ได้ผลขึ้นเช่นเคนต่างๆเมื่อกั้นสำเร็จแล้วก็กลับกลายเป็นพลังไฟฟ้ากลับกลายเป็นส่วนที่จะให้เป็นเกษตรกรรมได้รับผลประโยชน์อีกมากมายมากกว่าที่จะปล่อยให้น้ามันไหลไปตามธรรมชาติข้อนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบได้เหมือนกันกับผู้ที่ ได้พากันฝึกเคพากันฝึกสมาธิขึ้นก็เท่า ก, กันกับเราได้ทาในสิ่งที่เหนือธรรมชาติการฝึกสมาธิจึงเป็นวิชาการชนิดหนึ่งรเรียกว่าเป็นเทคนิคชนิดหนึ่งเหมือนกันกับที่เขาใช้เทคนิคในการที่จะ สร้างเขื่อนขึ้นมานั้นเขาก็มีเทคนิคและมีความรู้มีวิชาการทำจนสำเร็จในการสร้างสมาธินี้เช่นเดียวกันก็ต้องมีวิชาการเพราะฉะนั้นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาจากสมาธิ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงมีวิธีการและวิชาการแสดงถึงเรื่องสมาธินั้นไวมากเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วและได้ฝึกมาแล้วจนกระทั่งสำเร็จด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงได้ตั้งข้อความสำคัญไว้ข้อหนึ่งว่าสมาธิ ส่วนที่จะทำให้เกิดวิมุตได้นั้นมีสามประการคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงถึงเรื่องสมาธิไวมากในคำพีวิสุทธิมักที่ท่านแสดงนั้นก็เรียกว่าศีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศ สมาธิจึงอยู่ในนิเทศหนึ่งหรือสมาธิจึงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นโชคดีที่เราได้เป็นชาวพุทธเมื่อพวกเราได้เป็นชาวพุทธเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังและมีโอกาสที่จะได้ศึกษาถึงเรื่องสมาธิ ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของสมาธินี้ได้อย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของชาวพุทธจึงเป็นสิ่งที่ทำกันอยู่ทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธอยู่ที่ใดเป็นประเทศพมา่าประเทศลังกาประเทศญี่ปุ่นประเทศจีน หรือประเทศอื่นใดที่นับถือพุทธศาสนาก็ล้วนแล้วแต่มีรากฐานของสมาธิทั้งสิน้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นชาวพุทธจึงมีโอกาสมากกว่าจึงได้พากันศึกษาและในปัจจุบันประเทศไทยเราทุกขนแห่งก็ได้พากันฝึก สมาธิขั้นพื้นฐานนี้ได้พากันปฏิบัติสมาธิกันโดยทั่วไปก็เป็นผลอันดียิ่งที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความสามารถหรือจิตใจนั้นได้รับการพักผ่อนพระใจของคนเรานี้มีแต่จะใช้การอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืน ก็ใช้โดยไม่มีการหยุดยัง้งเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตบางจิตก็ทนไม่ไหวก็ถึงความขัดข้องหรือถึงความตึงเครียดของจิตจึงตำเป็นเรื่อเกินที่จะต้องให้มีเวลาพักผ่อนการพักผ่อนนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ทาสมาธิ ให้เกิดเป็นสมาธิได้แล้วโอกาสที่จะให้จิตนี้เข้าไปพักผ่อนก็พักผ่อนได้อย่างสบายเมื่อพักผ่อนได้ก็เกิดกำลังวังชาหรือเกิดคลายความตึงเครียดคลายความกดดันต่างๆได้มากความตึงเครียดและความกดดันต่างๆนั่นมันก่อปฏิกิริยา ให้เกิดความเสียหายได้มากมายบางทีอาศัยความควบคุมจิตใจไม่อยู่มีความตึงเครียดอย่างมากฆ่าตัวตายไปซะก็มากนอกจากฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นให้ตายอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ก่อความทละเลาะวิวาทก่อความอาฆาตจองเวรก่อความทำผิดพลาด ด้วยประการต่างๆเพราะความตึงเครียดของจิตใจและถ้าหากเกิดความตึงเครียดไปเรื่อยๆความสุขสบายนั้นก็หมดไปด้วยแต่อาศัยที่พวกเราฝึกฝนสมาธิกันแทนที่จะตึงเครียดแบบเดียวกันกับคนอื่นๆความตึงเครียดเหล่านั้นมันก็ลดกําลังลง ถึงจะมีก็ไม่ถึงกับทำอันตรายต่างๆให้เกิดอันตรายต่างๆและนอกเหนือจากที่ว่าสมาธิที่จะทำให้เป็นผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานแล้วสมาธินั้นยังเป็นกำลังต่อไปที่จะสร้างวาสนาสร้างบารมีสร้างความดี จากปัจจุบันในชาตินี้ต่อไปอีกประพบเบื้องหน้านี่คือผลผลิตผลของสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงเป็นผูท้ที่ควรแก่การเคารพควรแก่การบูชาเพราะเหตุสามารถที่จะ ตั้งให้เกิดความมีระเบียบขึ้นมาในตัวของตนได้จะเป็นพระภิกษุจะเป็นสามเณรจะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ดูหน้าเรื่อมใสหน้าเคารพหน้านับถือเพราะเหตุว่ามีความมีรักษมีหรือมีความผ่องใสร่างกายก็ผ่องใส จิตใจเนี่ยกับร่างกายมันเป็นสิ่งสัมพันธ์กันถ้าใจเศร้าหมองแล้วร่างกายก็ดูมันแก่ไปมากแล้วก็ร่างกายก็ดูมันสุดโทมแต่ถ้าหากว่าจิตใจมันผ่องใสแล้วร่างกายก็ดูมันหนุ่มแน่นขึนแล้วก็รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยมากมายนี่ก็ ใจกับร่างกายจึงเป็นสิ่งที่ต้องประสานกันเพราะฉะนั้นเมื่อใจผ่องแผ้วมองดูแล้วดูคนแล้วก็ดูรู้สึกมีความแช่มชื้นมีเลือดมีฝาดมองแล้วผ่องใสเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงมีรัศมี มีรัศมีออกจากพระกายของพระองค์นั้นโดยปกติจะมีรัศมีหนึ่งวาที่เราทำพระพุทธรูปพระเสียรของพระพุทธรูปนั้นมีปลายแหลมอยู่ข้างบนอย่าไปเข้าใจผิดที่ปลายแหลมนั้นเขาทำไว้ว่านั่นแหละคือรัศมีของพระพุทธเจ้ารัศมีอันนี้ จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีขาวสีน้ำเงินรวมกันเป็นฉับพันธรธังสีเรียกว่าสีหกประการเหมือน ก, นกันกับสายรุง้งขึ้นอยู่บนพระเศียรของพระพุทธเจ้าเราจึงได้ทำ เ, เปลวเพลิงไว้อยู่บนพระเศียรเพื่อให้เป็นรัศมีแท้ที่จริงแล้ว ลัทธิมีในร่างกายของพระพุทธองค์นั้นออกมาหนึ่งวานี่ก็คือพลังของจิตของพระองค์พระพุทธองค์นั้นสร้างพลังจิตมาถึงสี่สงขายแสนกับเพราะฉะนั้นพลังจิตนั้นจึงทำให้พระองค์มีความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาร่างกายของพระองค์นั้น จึงเป็นร่างกายที่มีความกระชุ่มกระชวยผ่องใสมีรัศมีเป็นต้นอันนี้พระสาวกก็มิได้พระสาวกต่างๆก็เป็นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นถึงขั้นพระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าต้องบาเพ็ญบารมีถึงสี่อสองขไขแสนกับ ภาษาวอกต่างๆนั้นก็จะมีร่างกายผองใสเท่านั้นแหละเหมือน ก, นกันกับท่านพระอัษชิท่านพระอัษชินั้นท่านเดินไปพบกันกับท่านพระอุปติคือภาษารีบุตรภาษารีบุตรได้มองเห็นร่างกายของท่านพระอัษชิซึ่งครองจีวรแล้วถือบาตรเดินมา ท่านมองไปท่านก็ออกอุทานในใจว่าพระภิกษุองค์นี้ทำไมร่างกายถึงผ่องใสนักชรอยจะมีธรรมะเรียกว่าวิมุตติธรรมอยู่ภายในเป็นแน่แท้ท่านพระสารีบุตรในตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชท่านจึงได้เข้าไปกราบท่านพระอัศเชพระเห็นร่างกายผ่องใสอันนี้แหละ ที่พวกเราท่านทั้งหลายจงพากันเข้าใจเถิดว่าสมาธินั้นคุณประโยชน์มากมายเหลือเรียกว่ามหาศารจริงๆ จ, งจึงสมควรแก่การที่เราจะได้พากันฝึกฝนให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นมาในใจของเราแล้วเราเองก็จะรู้รู้คือรู้ ว่าเป็นอย่างไรมันสบายอย่างไรมันดีอย่างไรมันวิเวกอย่างไรมันทราบซึ้งอย่างไรมันละเอียดอ่อนอย่างไรมันผ่องใสยอย่างไรมันนุ่มนวลอย่างไรมันเบาอย่างไรจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มาฝึกสมาธิทุกคนที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเป็นต้นเมื่อเราได้ประสบผลเช่นนี้เราก็จะมีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจก็คือเรามีกุศลเรามีวาสนาเรามีบารมีความดีที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ใช่สั ก, สก์แต่ว่าคิดไม่ได้ศัก์แต่ว่าพูดแต่ว่า เกิดขึ้นมาได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงใช้ความสามารถใช้ความมัณะความภาคเพียรเท่าที่ความสามารถของเรามีอยู่นั่นเอามาใช้สำหรับการทำสมาธินี่แล้วชีวิตของเรานี่ก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุด ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครบแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาในเอกประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายร่างกายของเรานี้ที่เราได้มานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงพราะมันจะต้องเกิดและดับเวลาก่อนนั้นเราก็เด็กมาอีกหน่อยเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาว มาอีกหน่อยเราก็เป็นคนมีอายุมาอีกหน่อยเราก็แก่ลงซะแล้วรอว่าวันไหนจะตายวันไหนจะดับจิตเวลาที่ยังไม่ตายก็มีเสียงเวลาตายแล้วก็หมดเสียงคือหมายความว่าหมดชาติเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้ได้ว่า จิตที่เราทำสมาธิไว้นั่นมีประโยชน์เพียงใดเพราะว่าเมื่อเวลาที่จิตของเราจะออกจากร่างนั้นสมาธินี้จะรวมประชุมให้ผลประโยชน์แก่เราอย่างเต็มที่เมื่อร่างกายแตกดับไปแต่ใจของเรานั้นไม่ได้แตกดับไปตามร่างกายใจนี้ เรียกว่าเป็นอมตะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุของโลกร่างกายนี้เป็นวัตถุของโลกเท่านั้นเองเกิดมาประดับโลกไปเรียกว่ามนุษย์โลกแต่ใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของโลกไม่ได้ดับไปกับโลกแต่เป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เมื่อร่างกายไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ตายคือร่างกายอันนี้มเป็นสิ่งที่ตายส่วนใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจจึงมีคุณค่าสูงที่เราพากันปฏิบัตินี้ก็ถูกต้องแล้วด้วยเหตุนี้เองท่านพูดที่ มีความฉลาดมีความเข้าใจในตัวของตนเองเราเรียกท่านผู้นั้นว่าเมธีชนหรือเรียกว่าคนผู้ที่มีปัญญาหรือเรียกว่าวินยูชนชนผู้ที่มีความรู้สูงผู้ที่มีความรู้สูงหรือผู้ที่มีปัญญาที่ถูกต้องนั้นท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้ที่เข้าใจ หาหนทางที่จะปฏิบัติความดีเหล่านั้นไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนท่านเหล่านั้นท่านก็ยอมกันแม้ชีวิตจะสิ้นไปด้วยการปฏิบัติท่านก็ยอมยกตัวอย่างเช่นท่านพระโสนะโสนะนั้นไม่ใช่โสนองค์ที่ มาประกาศพุทธศาสนาที่ประเทศไทยแต่เป็นโสนที่อยู่ในอิติมหาสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นท่านเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมไปแล้วเท้าของท่านแตกแล้วท่านก็คลานจงกรมจนกระทั่งหัวเข่าแตกแล้วท่านจึงมานั่งสมาธิปรองอนิจจงแล้วได้สำเร็จ มีอยู่อีกอง์หนึ่งท่านไปเดินทุดงไปในป่าดงเสือเดินจงกรมเดินไปเดินมาท่านก็เท้าแตกเสร็จแล้วท่านก็คลานจงกรมเมื่อคลานจงกรมแล้วในพลานนึกว่าอีแก้งจึงได้ซักหอกถูกอทองไสไหลในพรานเห็นเช่นนั้นรีบเข้าประคอง จับไส้ยัดเข้าไปแล้วก็เอาใบไม้จุกแล้วก็แบกขึ้นบนบ่าพระท่านก็ไม่โกรธท่านบอกว่าแบกอาตมาไปหาอาจารย์นะท่านก็แบกพระองค์นั้นไปท่านก็ทาสมาธิโยบนบ่าของในพรานได้สาเร็จเป็นพระอระหรันและอีกองค์หนึ่งท่านก็เดินจงกรมในในที่แห่งนั้น แต่ก็ถูกเสือตะครุบเอาเสือกัดเมื่อเสือกัดท่านก็ทำสมาธิอยู่ที่ปากเสือท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์อยู่ที่ปากเสือนี่เราก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าทำไมท่านถึงได้เสียสละชีวิตถึงขั้นนั้นในการที่จะแสวงหาวิมุติธรรม อย่างที่สามองค์ที่ขึ้นไปอยู่บนผาชันสี่องค์ขึ้นไปอยู่บนผาชันตัดไม้พระองค์เป็นไม้ต่อๆกันขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ผาชันแล้วก็ใช้เท้าถีบไม้พระองค์นั้นทิ้งก็เป็นอันว่าลงไม่ได้องค์หนึ่ง พอทำสมาธิไปได้หนึ่งวันก็ได้สําเร็จแล้วก็ไปบินทบาตมาเลี้ยงสามองค์สามองค์ก็บอกว่าไม่ฉันยอมตายพอถึงอีกเจ็ดวันองค์ที่สองก็ได้สําเร็จเป็นพระอนาคาเหาะไปบินทบาตเอามาเลี้ยงอีกสององค์สององค์ก็บอกว่าไม่ฉันสององค์ก็ตายสมใจ คือไม่ได้สำเร็จก็เลยตายอยู่บนภูเขานั่นอีกองหนึ่งได้มาเป็นกุมารและศพแล้วปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องหนึ่งนั่นได้มาเกิดเป็นพระพาหิยะแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาเราจะเห็นได้ว่าการกระทำนั้นไม่เสียเปล่าถึงแม้ท่านจะตายอยู่บน ยอดเขาแต่ภายหลังท่านก็มาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาด้วยเหตุอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันเกิดทานี้ย่อมจะต้องเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แก่เราไปทุกพพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ใด สมาธินี่จะติดต้มตามตัวเราไปทุกหนแห่งเมื่อเราทำสมาธิได้มากแล้วเราก็ไม่ควรที่จะรอรีรอหาวิธีการที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปจากสมถกรรมฐานให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นเรื่องของสมถะ เธอทความสงบการทำความสงบนั้นก็อาศัยการกระทำให้มากเมื่อกระทำให้มากแล้วความสงบนั้นมากขึ้นจิตนี้ก็กลายเป็นพลังจิตเมื่อจิตนี้กลายเป็นพลังจิตจิตนี้ก็จะมีกำลังแก่กล้าตามลําดับเมื่อจิตนี้มีการแก่กล้าตามลําดับแล้วท่านก็ให้จเจริญวิปัสสนา บางคนนั้นกล่าวว่าจเจริญวิปั ส, สนาล้วนไม่มีสมาธิอันนี้เป็นไปไม่ได้จำเป็นหรือเกินที่จะต้องมีสมาธิพอเป็นเบื้องบาทถ้าไม่มีสมาธิเลยจะเป็นบำเพ็ญวิปั ส, สนาล้วนก็ไม่ถูกต้องบางบางคนนั้นคิดว่าเราบำเพ็ญวิปั ส, สนาคือเรียนอภิธรรม เรียนอภิธรรมจนกระทั่งรู้จักจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงแล้วก็เรียนถึงทุกขังอันนีจังอันาตาถึงเรียนไปเท่าไหร่ว่าเป็นวิปัสสนานั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะวิปัสสนาที่จะให้เกิดเป็นวิปัสสนาจริงๆนั้นต้องเป็นวิปัสสนาที่เกิดขึ้นจากพลังของจิต สมดังที่องค์สมดเดนตพระภูมิพระภาพได้ทรงกลัดไว้ว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั่นคือฌานสี่ในมรรคแปดนั้นมีมีข้อสําคัญอยู่ข้อสุดท้ายคือข้อสําคัญอยู่ข้อหนึ่งในข้อสุดท้ายนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั่น ก็คือฌานสี่ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุถฌานฌานทั้งสี่นั้นเป็นสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคในจำนวนมรรคทั้งแปดก็เป็นอันได้ความว่าถ้าจะพิจารณาถึงอริยสัจหรือพิจารณาถึงวิปัสสนาแล้วจะต้องมี สมาธิถ้าไม่มีสมาธิมรักก็จะขาดไปองคหนึ่งมรักนั้นมีแปดถ้าขาดสมาธิก็เหลือเจ็ดอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการดำเนินวิปัสสนานั้นยังต้องดำเนินไปจากการที่ทำจิตนี้ให้สงบมีกำลังแก่กล้าเมื่อจิตสงบมีกำลังแก่กล้าแล้ว อาจจะเกิดกระแสจิตกระแสจิตนั่นก็เหมือนกันกับกระแสไฟเราเห็นดวงไฟนั่นบางทีก็สว่างน้อยบางทีก็สว่างมากที่สว่างน้อยก็เพราะแรงเทียนน้อยที่สว่างมากก็เพราะแรงเทียนสูงข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบ ผู้ที่มีพลังมีกำลังจิตแก่กล้ามีกาลังมากกระแสะจิตก็สูงผู้มีกำลังน้อยกระแสะจิตก็ต่ำแต่อย่างไรก็ตามพระพุท ธ, ทธองค์นั้นทรงตรัสว่าญาณนะญาณนะคือความอย่างรู้การที่จะอย่างรู้ได้นั้น ที่จะให้เป็นยาณ น, นั้นจะต้องมีจุดเรียกว่าจุดหนึ่งจุดหนึ่งนั้นเราจะสังเกตได้ที่ตรงไหนจุดนั้นถ้าบุคคลใดมีกำลังจิตพิจารณารูปคือรูปของเรานี่แหละจะเป็นจะเป็นรูปร่างกายทุกส่วนอย่างใดก็ตาม ถ้าเราพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เกิดนิพพายายนความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าจุดเรียกว่าจุดที่จะให้เกิดยานะคือความอย่างรู้แล้วก็ยานะอันนี้ที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาการที่จะทำจิตให้ไปถึงขั้นนั้นนั่นก็จำเป็นที่จะต้องตายเต้าไปจากสมถะคือความสงบ เมื่อตายเต้าไปจากความสงบนี้ก็ไปถึงจุดนั้นก็เรียกว่าใกล้ต่อความสําเร็จดังที่ท่านปัญจวัคคีได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์และก็เกิดรูปสัมิงปินิบินติเบือนายในรูปการที่เกิดขึ้นเช่นนั้นเรียกว่ายานะได้เกิดขึ้นแก่ท่านปัญจวัคคีแล้ว แตยนะอันนี้เองที่นักปฏิบัติทั้งหลายเรียกว่าเจริญมิปัสนาทําให้เกิดขึ้นให้ได้การทําให้เกิดขึ้นให้ได้นั้นต้องอาศัยการซ้ํำลงไปที่เก่าเหมือนกันกับคนฟันต้นไม้การฟันต้นไม้นั้นเราต้องฟันลงไปที่เดียวไม่ใช่ว่าเราฟันตรงโน้นทีตรงนี้ทีนั้น ข้อนต้นไม้ไม่ลม้มการจะข้อนต้นไม้ให้ลม้มต้องฟันลงไปที่เดียวจันใดการที่เราจะทำจิตนี้ให้ถึงญาณนะเคยถึงนิปั ส, สนาที่แท้จริงต้องยํำลงไปที่เดียวคือร่าง ก, กายหรือเรียวกว่ารูปที่พระองค์ได้ทรงตรัสยืนยันในมหาสติปัฏฐานว่ากายเยกายานุปสีวิหารติ อาตาปีสัมปชานโนสติมาวิในยโลเกอภิจาโดมนันตังมหาสติปัฏฐานนั้นยกกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นอันดับแรกเคยให้พิจารณากายในกายนอกพิจารณากายในก็คือพิจารณาร่างกายของเราพิจารณากายนอกก็คือพิจารณาร่างกายของคนอื่น การพิจารณาอันนี้ถือว่าเป็นวิปัสนาแต่ว่าเมื่อเรายังไม่ถึงวิปัสนาเราจะยกกายอันนี้ขึ้นกําหนดก็ได้เพราะเป็นเครื่องสอบเป็นเครื่องสอบทานเนื้อเรียกว่าเป็นเครื่องที่จะทดสอบว่าจิตอันนี้ถึงวิปัสนาหรือยังถ้าเรามองไปมันก็เท่านั้น มองไปก็เท่านั้นเราก็นึกเอาว่าร่างกายนี้แก่ตายเน่าเปื่อยมันก็เท่านั้นไม่เกิดความสังเวชสลดใจไม่เกิดนิพพิทยานความเบื่อนหน่ายอันนั้นเรียกว่าญาณ น, นะยังไม่เกิดขึ้นวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้นถึงวิปัสสนาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่เสียหายที่ตรงไหนถ้าเราจะเอาจิตั้งเราไปพิจารณาก็ได้ แต่การพิจารณาที่เราจะทำให้เกิดขึ้นมาได้อย่างแท้จริงนั้นก็ต้องอาศัยการและเวลาเมื่อถึงเวลานั้นแล้วความพร้อมก็เกิดขึ้นถ้าความพร้อมเกิดขึ้นเมื่อใดนิพพยานก็เกิดขึ้นมานั้นความพร้อมนั้นอะไรเป็นที่ทำให้พร้อมก็คือพระละเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงถึงว่า ศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละละก็แปลว่ากำลังศรัทธาก็มีกำลังความเพียรก็มีกำลังสติก็มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังแต่ที่จริงแล้วนั่น สมาธิเป็นตัวประสานงานเป็นตัวตั้งต้นเมื่อสมาธิมีกำลังแล้วส่วนอื่นก็มีกำลังตามไปด้วยเรียกว่ากำลังต้องให้เป็นที่เพียงพอที่ท่านแสดงว่ามิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังอะไรอย่างนี้ท่านแสดงถึงว่าผู้ที่ทำสมถะมามากแล้วก็บังเกิดวิปัสสนาขึ้น เมื่อบังเกิดีิปั ส, สนาขึ้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีพลังถ้าไม่มีพลังก็ไม่เกิดีิปั ส, สนาทีนี้เมื่อเกิดีิปั ส, สนาขึ้นมาแล้วอย่างนี้ท่านบอกว่าเจริญให้มากกระทำให้มากการเจริญให้มากกระทำให้มากดังที่ท่านแสดงไว้ในอนัตตรักนสูตรว่ารูปสังหิปินิบินติเวทนา ย, ยปินิบินติ สัญญ า, ญาปีนิบินติสังขารเรสุปีนิบินติวิญญาณัสหมิงปีนิบินตินิ บ, บินนังเวรัชติเมื่อเบื่อไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขรวิญญาณแล้วก็คลายจากความกำหนัดเมื่อคลายจากความกำหนัดแล้วท่านผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่จบพรมจันทร์แล้วขีณาชาติ ท่านผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้สิ้นไปจากกิเลสการที่จะเกิดต่อไปอีกก็ไม่มีอีกแล้วนี่เรียกว่าทำกันถึงที่สุดก็เป็นอย่างนี้ถึงเรียกว่าพระนิพานพานพระนิพพานนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ของผู้หมดกิเลสไม่มีสิ่งที่จะอามิตรต่างๆหรือว่า ความเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าทุกข์ต่างๆที่จะเข้ามาเจือปนไม่มีอีกแล้วการไปถึงพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นพระอระหันต์พระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์องค์แรกจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะต่อมาจึงเป็นสาวกาพุท ธ, ธะจนกระทั่งถึงพวกเราก็สามารถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้เหมือนกัน แต่เมื่อยังไม่ทันถึงเราก็ต้องพยายามกันเรื่อยไปต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก